เทศนาของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจยา์โตแสดงเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2514ขอท่านสาธุชนผู้เจริญจงทําใจให้สงบและน้อมใจราลึกถึงองค์พระศาสดาเพราะว่าทุกคน เมื่อเห็นเมื่อคิดถ้าได้รับความยึดถือคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทุกคนจะพบความสว่างของชีวิตนะโมตัสสะพัคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์นะโมตัสสะพัคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์นะโมตัสสะพัคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์ นับแต่อัตมาภาพได้พ้นจากกายเนื้อซึ่งอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมามีชีวิตอยู่อย่างเป็นโอปปาติกะมีชีวิตเป็นกายทิพย์หล่อเลี้ยงด้วยวิบากของกรรมล้วนๆเหล่า น, นั้นเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษพอดีทำให้อัตมาภาพได้เข้าใจเรื่องชีวิตพอสมควรที่จะนำมากล่าวอ้างแก่ท่านได้บ้างขึ้นชื่อว่าชีวิตทุกชีวิตต้องการความพ้นทุก หมายถึงความสบายของตัวเองทุกคนไม่ทราบว่าที่ตัวเองต้องการพ้นทุกนั้นคืออะไรแต่ทุกคนต้องการอยู่สิ่งเดียวคือความสบายความไม่เดือดร้อนทุกคนไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินจะได้ลิ้มรสจะได้กลิ่นหรือจะได้สัมผัสแม้ทุกคนจะได้รับเหมือนกันคล้ายกันแต่ทุกคนคิดไม่เหมือนกัน จากความคิดที่ไม่เหมือนกันนี้เองทำให้เราได้รับมาคิดได้ว่าเราจะพ้นทุกข์หรือจะไม่พ้นทุกข์ได้นั้นเป็นเรื่องของเราเองพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าตุมเหหิกิจจังอะตับปังอาขาตาโรตถาคตาความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ความจริงให้เห็นเท่านั้น ทุกคนจะคิดเหมือนกันไม่ได้ทุกคนพบสิ่งเดียวกันแต่ทำไมละ่ะจึงคิดไม่เหมือนกันอันนี้เองอาตมาได้เข้าใจเมื่อมันมีชีวิตเป็นโอปปาติกะแล้วชีวิตที่สวยวิบากกรรมล้วนๆอาตมาภาพกับท่านสาธุชนทั้งหลายมีชีวิตอยู่คนละสภาพดังนั้นการติดต่อกันจึงเป็นการยากที่จะเข้าใจกัน อาตมาภาพจึงต้องอาศัยร่างกายที่หยาบซึ่งเป็นกายเนื้อแต่อายได้ไม่นานนักเพราะร่างทรงก็ไม่สมบูรณ์ที่แท้จริงจะสมบูรณ์ที่แท้จริงก็ต่อเมื่อร่างกายเนื้ออันนี้ต้องถอดกายทิพย์ออกได้อาตมาภาพจะได้อายนานแต่บัดนี้อาศัยนานนักไม่ได้อาตมาภาพมีเรื่องมากนักที่จะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องชีวิตทุกคนจะต้องศึกษาให้เข้าใจ ให้เข้าใจเรื่องตัวเองอย่างแท้จริงแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้ศึกษาจากสิ่งภายนอกนั้นมีแต่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนยิ่งขึ้นอัตมาภาพอยากพูดมากกว่านี้แต่จำเป็นที่ว่าวิบากของคนที่เป็นร่างให้อัตมาอาศัยนี้กำลังดิ้นรนเพื่อจะใช้วิบากของตัวเอวังดังที่ได้แสดงมา สิ้นสุดเทศนาเท่านี้ควรแล้วแก่เวลายุดยุติเฮยยใดชอบโปรดช่วยชี้ช่องให้คนเห็นประสาทพรสวัสดีจเจริญสีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญผลจเจริญพันเสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยประสงสับกุศลใดก็จงสมประสงเทิญ อธิบายเทสนาของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาร์โตในหนังสือวิญญาณฉบับเดือนกุมภาพัน2514ข้าพเจ้าได้นำเทสนาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาร์โตมาลงให้อ่านปัญหาอันแรกก็คือวันที่หลวงพ่อสมเด็จเข้าทรงและเทศการ น, นี้นั้นเป็นวันที่14กันยายนพุท ธ, ธศักราช2514 เวลา19บเนาฬกานาทีในเทศกันนี้หลวงพ่อสมเด็จได้บอกว่านับแต่อัตมาภาพได้พ้นจากกายเนื้อซึ่งอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมามีชีวิตอยู่อย่างโอปปปาติกะมีชีวิตเป็นกายทิพย์หล่อเลี้ยงด้วยวิบากของกรรม ล, ล้วนแล้วนั้นเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษพอดีนี่หมายความถึงว่าวันที่หลวงพ่อสมเด็จเทศนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งรปี นับตั้งแต่วันมรณภาพคนที่ไม่เคยทราบประวัติของหลวงพ่อสมเด็จมาก่อนก็คงไม่มีใครสงสัยแต่สําหรับผู้ที่เคยอ่านประวัติของท่านมาแล้วบางคนก็จะต้องสงสัยเพราะหนังสือบางเล่มที่เขียนประวัติของหลวงพ่อสมเด็จได้บันทึกวันมรณภาพไม่เหมือนกันและในฉบับทั่วไปกล่าวว่าหลวงพ่อสมเด็จมรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายนสองพั เพราะฉะนั้นถ้าถือตามวันนี้วันมรณะภาพครบรอบ100ปีก็จะต้องเป็นวันที่22มิถุนายน2515ส่วนที่หลวงพ่อสมเด็จบอกในวันที่เข้าทรงนั้นวันที่หลวงพ่อสมเด็จมรณะภาพก็จะต้องเป็นวันที่14กันยายน2415ึ่ซึ่งนับว่าผิดกันหลายเดือนปัญหาจึงมีว่าวันมรณะภาพครบรอบ100ปีของหลวงพ่อสมเด็จ เป็นวันไหนแน่เรื่องนี้ได้มีผู้ถามหลวงพ่อสมเด็จเหมือนกันและท่านก็ยืนยันว่าวันที่14กันยายน2514เป็นวันครบรอบหนึ่งรปีครั้นแล้วข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านว่าโดยธรรมดาคนป่วยหนักที่จะต้องตายนั้นย่อมไม่รู้ว่าตัวเองจะตายในวันไหน หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรว่าหลวงพ่อมรณภาพในวันที่14กันยายนท่านได้ตอบว่าครั้งแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านมรณภาพในวันไหนจะหลังจากที่ท่านมรณภาพมามีชีวิตเป็นโอปปาติกะแล้ว mm. เห็นคนทั้งหลายที่นับถือท่านพอถึงวันที่สิกันยายนหรือวันแรมสิบห้าข้ามเดือนสิบทีไร mm. ก็พากันทําบุญครบรอบปีเพราะเหตุเนี้ย ท่านจึงจำได้อันหนึ่งมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือการเข้าทรงในครั้งนี้หลวงพ่อสมเด็จได้บอกล่วงหน้ามาเป็นเวลาเดือนเศษว่าท่านจะมาเข้าทรงเพราะฉะนั้นวันที่เข้าทรงในวันนั้น จึงเป็นวันที่หลวงพ่อสมเด็จกำหนดล่วงหน้าแต่เนื่องจากการเข้าทรงในครั้งนี้จะมีการบันทึกเหตุการณ์ด้วยภาพยนต์ด้วยเครื่องบันทึกเสียงและทำเป็นภาพสไลด์ด้วยพอถึงวันใกล้กำหนดการตระเตรียมงานต่างๆไม่สู้จะเรียบร้อยข้าพเจ้าได้ขอเลื่อนเวลาออกไปอีกแต่หลวงพ่อสมเด็จไม่ยอมเลื่อนท่านบอกว่าจะยางไรก็ตามท่านจะต้องเข้าทรงในวันนั้นอย่างแน่นอน แต่ท่านไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงเลื่อนไม่ได้ต่อเมื่อหลวงพ่อสมเด็จเข้าทรงแล้วเทศจึงได้รู้ว่าเพราะเป็นวันครบรอบร้อยปีนี่เองท่านจึงไม่ยอมเลื่อนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ข้าพเจ้ายังจะต้องสืบสวนต่อไปอีกว่าตามที่ในหนังสือบางเล่มบันทึกไว้ว่า ท่านมรณภาพในวันที่22มิถุนายน2415กับที่ท่านบอกในครั้งนี้อันไหนจะถูกกันแน่แต่ข้าพเจ้าก็ใคร่ที่จะให้ข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งณที่นี้ว่าเรื่องราวที่บันทึกกันไว้นั้นไม่ใช่จะถูกทุกอย่างและที่ข้าพเจ้าแน่ใจที่สุดว่าเรื่องที่บันทึกกันไว้ผิดก็คือเรื่องคถาชินนบัญชร เพราะหนังสือเกี่ยวกับประวัติของท่านทุกฉบับที่ได้พิมพ์คาถาชินบัญชอนั้นทุกแห่งขึ้นต้นด้วยคำว่าชยาสนากตาพุทธาแต่ที่หลวงพ่อสมเด็จได้บอกโดยวิธีเข้าทรงนั้นขึ้นต้นด้วยคำว่าชินะสรากตาพุทธาซึ่งในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วในหนังสือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคสอง อันหนึ่งจากการพิสูจน์อย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลาถึงสิบปีเศษข้าพเจ้าแน่ใจอย่างที่สุดว่าการติดต่อกับหลวงพ่อสมเด็จโดยวิธีการเข้าทรงก็ดีโดยวิธีติดต่อทางสมาธิก็ดีที่สำนักของข้าพเจ้านี้ได้ทำกันอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะมีข้อพิสูจน์มากมายที่แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องวันมรณภาพของท่านนี้ถ้าหากจะผิด ก็ไม่ใช่ผิดอยู่ที่คนทรงบอกออกมาเองแต่ผิดเพราะหลวงพ่อสมเด็จจำผิดแต่เรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะเรื่องอย่างอื่นเช่นคาถาชินบัญชรซึ่งเป็นข้อความที่ยาวมากและจำได้ยากยิ่งกว่าวันมรณะภาพของท่านเป็นไหนๆแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังจำของท่านได้อย่างแม่นยำหมายเหตุหลวงพ่อสมเด็จได้มาเข้าทรงบอกคาถาชินบัญชรเมื่อวันมาคะบูชาพุทธศักราช2505 อันหนเรื่องวันมรณภาพของหลวงพ่อสมเด็จนั้นก็ยังมีหนังสือประวัติของท่านบางเล่มได้บันทึกไว้ตรงกับที่หลวงพ่อสมเด็จบอกในครั้งนี้ซึ่งหนังสือที่ว่านี้ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบในภายหลังเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหนังสือประวัติทั้งหลายซึ่งได้เขียนขึ้นโดยบุคคลต่างๆนั้นที่ไม่ตรงกันก็มีเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านผู้อ่านวินิจฉัยเอาเองว่าควรจะเชื่อในทางไหน อีกปัญหาหนึ่งคือคำบาลีที่ท่านบอกว่าตุมเหหิกิจจังอาตับปังอาาตาโรตถาคาตาคถานี้ท่านแปลว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ความจริงให้เห็นเท่านั้นโดยส่วนตัวข้าพเจ้าไม่สงสัยว่าคำเหล่านี้ไม่ได้ออกมาจากความทรงจาของหลวงพ่อสมเด็จเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าคนทรง ซึ่งอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับสนิทและละเมอออกมานั้นจะพูดภาษาบาลีประโยคนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ก็อดประหลาดใจไม่ได้ว่าคำแปลที่หลวงพ่อสมเด็จบอกนั้นไม่ตรงกับคำบาลีที่ท่านบอกเพราะคำว่าตุมเหหิกิจจังอาตับปังคำแปลที่ถูกจะต้องแปลว่าท่านทั้งหลายควรจะทำความเพียรแต่ท่านกลับแปลว่า ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตัวซึ่งคำแปลอันหลังนี้ตรงกับคำบาลีว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังทำไมท่านจึงแปลอย่างนั้นถ้าจะว่าหลวงพ่อสมเด็จจำผิดก็น่าจะได้แต่ขอให้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาดูให้ลึกซึง้งแล้วจะเห็นได้ชัดว่า ท่านต้องการจะให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงท่านไม่ได้แปลาตามศัพท์แต่ท่านแปลโดยการถอดความหมายออกมาเพื่อจะเตือนทุกคนในที่นั้นว่าเมื่อเราทำดีหรือทำชั่วคนอื่นไม่รู้แต่ตัวของเราตัวเองนั้นรู้แน่คนไหนทําไว้อย่างไรก็จะได้อย่างนั้นและทําอย่างไรผิดทําอย่างไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบอกไว้หมดแล้ว ท่านต้องการที่จะเตือนให้ทราบอย่างนี้จงสังเกตว่าข้อความในเทศนาก่อนที่ท่านจะอ้างพุทธพจน์บทนี้นั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความหมายเกี่ยวเนื่องกันคือท่านต้องการจะชี้ให้เห็นว่าทุกคนเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้น แต่และคนทํากรรมมาไม่เหมือนกันมีวิบากมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะเห็นหรือจะได้ยินอะไรแม้จะเหมือนกันแต่แล้วทุกคนก็มักจะคิดไม่เหมือนกันเลยจากความคิดที่ไม่เหมือนกันนี้เองที่ทําให้รู้ว่าคนเราจะพ้นทุกหรือไม่พ้นนั้นเป็นเรื่องของเราเองท่านต้องการจะเตือนเช่นนี้เพราะฉะนั้น ทำแปลของท่านจึงไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาแปลกันและนี่ก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าคนทรงไม่ได้พูดออกมาเองอย่างแน่นอนและแม้จะสงสัยว่าข้าพเจ้าใช้อำนาจจิตบังคับบอกให้พูดออกมาหรือจะเข้าใจว่าคนทรงเคยจำข้อความอันนี้ไปจากข้าพเจ้าก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะถ้าข้าพเจ้าจะแปลาบาลีบทที่ท่านกล่าวไว้นั้นข้าพเจ้าจะไม่แปลเหมือนที่หลวงพ่อสมเด็จบอกนั้นอย่างแน่นอนในเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จการ น, นี้ที่จริงยังมีปัญหาอีกหลายตอนที่ควรจะอธิบายแต่เนื่องจากปัญหาเหล่านั้นได้เคยอธิบายมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงจะไม่ขอกล่าวซ้ำอีก